ก็มาถามดูบุญตัวเองอะ่ะเพราะสมบัติของมนุษย์เป็นมวลเนี่ยนะมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติเป็นของผู้มีศีลเป็นของผู้มีบุญฉั้นสั่งสมบุญอะไรไว้บ้างเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสาระสําคัญจะต้องรักษาเจตนาตัวนี้เอาไว้ให้มั่นสมทานอธิษฐานรักษาทั้งจารีตศีลรักษาจารีตศีลว่าเราจะต้องมีความละอายมีความกรุณามีความเมตตาต่อ สรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราต้องให้อภัยญานให้อภัยให้ชีวิตเป็นทานขอให้ชีวิตของเขาอยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยนะเราก็ให้ชีวิตเขาเป็นทานอย่างนี้แหละศีลข้อที่ห น, น, นึ่งศีลอันเนี้ยพระพุทธเจ้ามีโดยปกติปกติตั้งกันเมื่อไหร่ตั้งแต่เป็นพระเวสสันดรเนี่ยมีอยู่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละที่พระเวสสันดรเนี่ยคิดเป็นอกุศลกับชูชกเนี่ย ขึ้นไปชักดาบเลยนะขึ้นปั๊บจับดาบแลยข่ามัง้งพอคิดแค่นั้นละ ว, วางดาบเลยพ่ออะไรบอกนี่ไม่ใช่ประเพณีของพระโพธิสัตว์แต่แหมไอการเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนทั่วไปไมัรู้ตายเรียบไปเท่าไหร่แล้วนะแต่ถ้าเป็นเนแต่นี่พระเวสสันดรท่านข่มใจได้นะเพราะจับดาบปับ๊บ ท, ทั้งทั้งที่ท่านมีเรียวมีแรงมีพะละกําลังมหาศาลประจับดาบปั๊บวางเลยนี่ไม่ใช่ประเพณีของพระโพธิสัตว์ที่จะบริจาคไปแล้วต้องเสียใจในตอนหลัง เธอที่เสียใจไม่ได้เสียใจเพราะบริจาคแต่เสียใจเพราะแหมตบตีเขี่ยนตีลูกต่อหน้าเราเป็นต้นเนี่ยนะก็แอะความรักแล้วก็ลูกเองก็อ้อนวอนต่อว่าต่อขานพ่ออยู่ตลอดเวลาแห ม, มแทงใจของพ่อเหลือเกินแตว่าสายตานี่แดงกล่ำเนี่ยนะเกิดว่าน้ําตาแทบจะมาเป็นเลือดขณะนั้นแต่ท่านก็ยังข่มใจได้ที่จะไม่ฆ่าพู้อื่นคือสรุปว่าเป็นพระเวสสันดรท่านไม่เคยฆ่ามาตลอดชีวิตแค่รำพึงว่าจะฆ่า แต่ไม่ได้น้อมไปเพื่อการฆ่าจริงๆแค่นั้นเองมัอยู่ครั้งเดียวแล้วก็อยู่ดูเสร็จอีกห้าร้อยกว่าล้านปีห้า้อยเจ็สบกล้านปีก็บริสุทธิ์มาตลอดแล้วก็เป็นชาติสุดท้ายก็บริสุทธิ์มาตลอดเนี่ยนะก่อนหน้านั้นท่านก็อยู่ดาวเวดึงเนี่ยนะอายุขของดาวเวดึงสาสิบล้านปีถ้าไม่มีบุญจริงแล้วทำไมจะไปดาวเวดึงได้เพราะท่านบริสุทธิ์มาหลายหลายหลา ย, หลายพันล้านปีมาแล้วศีลเนี่ยดีเยี่ยมแล้วก็อบรมกุศลศีลตัวนี้เนี่ยมา สี่อสงไขยแสนกับสมาทานศีลเนี่ยนะสมาทานศีลรักษาศีลแม้กระทั่งว่ายอมอรักษาศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยนะท่านไม่เห็นแก่ญาติคือไม่มีการฆ่าเพราะเห็นแก่ญาติไม่ฆ่าเพราะเห็นแก่ทรัพย์ไม่ฆ่าเพราะเห็นแก่อะไรแก่ญาติแก่ทรัพย์เนี่ยนะอย่างบางชาติเนี่ยท่านเป็นผู้ที่ชํานาญในศิลปะธนูเป็นคนที่ยิงแม่นมากเลยเนี่ยนะยิงแม่นมาก ท่านเรียนวิชานี้จบมาแต่แตว่าจบวิชาแบบไม่เคยฆ่าใครเสร็จแล้วก็มารับราชการตำแหน่งใหญ่มากเลยท่านก็มาคิดดูว่าไอ้ความรู้ศิลปะการฆ่าเนี่ยการยิงธนูแม่นแล้วก็เป็นผู้ที่มีปัญญาแบบเนี้ยจะต้องเป็นอะไรก็บอกเป็นแม่ทัพสิเบื้องต้นเราก็ฆ่าท่ามกลางได้ราบราบยศสรรเสริญที่สุดนรก ออกบวชเลยเนี่ยนะพอคิดอย่างนี้ก็บอกว่าไม่เอาละเนี่ยนะมาขอรักษาศีลดีกว่าแทนที่จะรักษาอย่างอื่นก็มามารักษาศีลท่านท่านคิดในในรูปแบบของท่านอะ่ะพระพุทธเจ้าคิดในในเส้นทางที่เรียกว่าพระตถาคตเนี่ยผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าดําเนินหนทางมาอย่างไรพระองค์ก็ปฏิบัติอย่างนั้นพระองค์จึงเป็นผู้ที่มีศีลแล้วก็สอนให้ผู้อื่นมีศีลเช่นนี้เพราะอ่า ผู้ที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยนะก็ตัดตัดเจตนาทําลายเจตนาที่ทุศีนเพราะเจตนาในการทุศีนเป็นตัวที่ฉุดไปสู่อาบายทุคติวินิบาตบางในยะอธิบายว่าศีลเนี่ยเหมือนกับพระนิพพานศีลเนี่ยนะคลายคลายคำว่าเหมือนก็ไม่ใช่นะยกตัวอย่างว่าเหมือนเหมือนตรงไหนเหมือนตรงที่ว่านิพพานรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ไปในวัตฏะฉันดายศีลก็ รักษาผู้ที่ปฏิบัติศีลรักษาศีลไม่ให้ตกต่ําฉะนั้นไม่ให้ตกต่ําไปสู่ไปสู่โลกที่ชั่วพบที่ชั่วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแต่ชั้นแรกเนี่ยนะศีลจะรักษาเราได้ขนาดนั้นเราต้องรักษาศีลก่อนตอนแรกเขาบอกว่าศีลรักเรารักษาศีลแต่เอาเข้าจริงๆแล้วศีลเนี่ยรักษาเราเห็นไหมศีลเป็นเครื่องรักษาเรารักษาอะไรถ้าไม่มีศีลเนี่ยเราจะไปทําอะไรเห็นไถ้าไม่มีศีลก็น้องไปเพื่อ ทุศีลความทุศีลก็สร้างความเดือดร้อนมันจะต้องรักษาวารีศีลคือเว้นจากการฆ่าอย่างเด็ดขาดเนี่ยนะสมาทานไว้เลยสมาทานอธิษฐานตั้งใจอา้าวถ้าตั้งใจแล้วยังตกยุงอีกละ่ะก็สมาทานใหม่แสดงว่าศีลก่อนหน้านี้มาไม่ดีเลยเนี่ยนะก็สมาทานบ่อยๆเรื่อยๆสมาทานบ่อยๆเรื่อยๆถ้ายิ่งยิ่งรู้ว่าตัวเองแนวโน้มว่าจะขาดบ่อยต้องสมาทานไว้ บ่อยๆสมาทานแล้วก็ยังขาดอีกเลิกสมาทานเลยใช่ไหมไม่ก็จนกว่าจะรักษาได้ก็เหมือนกับอย่างว่าถ้าพูดแบบหลักการทั่วไปในโลกเนี่ยนะถ้าหากว่าเราหาเงินมาได้ก็ใช้หมดหาไม่ได้ก็ใช้หมดเหตุผลที่ใช้หมดเลยเลิกหาตังค์เลยใช่ไหมทําไมอะ่ะก็มาประหยัดว่าทำยังไงว่าจะรักษาทรัพย์เอาไว้ได้อการหาก็เป็นกิจกรรมที่ควรจะต่อเนื่องฉันใดศีลก็ควรรักษาให้ต่อเนื่องฉันนั้นเนี่ยนะ ศีลข้อที่ข้อที่1เนี่ยนะพระพุทธเจ้าสอนไว้เยอะมากบัญญัติไว้เยอะมากเนี่ยนะหลายพระธรรมขันด้วยกันเลยในพระวินัยปิดกก็คือเว้นจากการฆ่าสัตว์เนี่ยนะแบ่งเป็นจารีตศีลกับวารีตศีลเว้นจากการฆ่ากับตามรักษาชีวิตด้วยชีวิตของสัตว์ทั้งหลายด้วยเมตตาและด้วยกรุณาเนี่ยนะปราถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์หวังแต่ประโยชน์เกื้อกูลหวังแต่ความสุขให้แก่ สรรพสรรทั้งหลายอันนี้ถือว่าเป็นเบื้องต้นของความคิดของผู้ที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยนะผู้ที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยนะเออเรามาเช็คคุณภาพจิตตัวเองดูให้ดีๆเลยว่าคุณภาพศีลข้อนี้เนี่ยดีจริงไหมเพียงพอไหมที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยนะถ้าคุณธรรมอันนี้ไม่ดีเนี่ยโอ้ยเฮอ้อนวอนขอนิพานวรพันธรอบก็ไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะนี้เป็นหนทางที่จะทําให้ บรรลุมรผลนิพพานคืออันนี้เป็นเบื้องต้นในในพระพุทธศาสนาจริงๆเลยเนี่ยนะข้อต่อไปศีลของพระพุทธเจ้าก็คือพระสมณะโคโดมเนี่ยละการลักทรัพย์ลักทรัพย์ตัวนั้นเป็นชื่อของเจตนาในการขโมยเนี่ยนะเจตนาในการช่อเจตนาในการ เ, าเล่กลกลโกงหลอกลวงโล่ลวง เ, เป็นต้นเนี่ยนะทั้งปล้นเองใช้ให้ผู้อื่นปล้น ขโมยเองยักยกเองใช้ให้คนอื่นยักยกเป็นต้นเนี่ยนะพระองค์เนี่ยไม่มีเลยทําลายเจตนาที่เป็นเหตุถือเอาสิ่งของโดยอธินาทานเจตนาเจตนาแห่งขโมยความคิดเยี่ยงโจรเนี่ยนะความคิดเยี่ยงโจรเป็นต้นเนี่ยไม่มีพระองค์ทําลายเจตนาความคิดเยี่ยงโจรเหล่านั้นเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะทำลายเว้นขาดจากการลักทรัพย์เพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่มีปกติชีวิตเว้นรอบเนี่ยนะ ไม่มีเวนเลยเนี่ยนะแค่เรียกว่าเวนรอบแล้วก็ตัดเวนอันนี้ออกไปแล้วเพราะว่าการลักทรัพย์นี่ถามว่าเป็นเวนหรือไม่เป็นเวนบอกเป็นมหาเวนนะถามว่าทําไมจึงเป็นเวนอย่างนั้นอ่ะเราบอกว่าคนที่ลักทรัพย์คนอื่นไว้เยอะๆเนี่ยนะมีทรัพย์เท่าไหร่ก็ไม่เหลือเนี่ยนะบางทีถึงพอจะมีแต่ว่ามันก็มีแต่ชื่อไม่ได้มีใช้จริงๆแล้วในที่สุดเนี่ยนะ ก็เวียนกลับไปสู่ความตกต่ําและก็ต่ําต้อยเป็นคนที่ไม่มีโภกท้ศัพย์เลยเนี่ยนะสังเกตดูว่าคนในโลกเนี่ยคนคนเขาเขาแบ่งอย่างเงี้ยถ้าฐานะมากทรัพย์เยอะร่ํารวยมากรายได้สูงเขาเรียกว่าคนชั้นสูงถ้ารายได้ปานกลางมีการศึกษาปานกลางเป็นต้องเรียกว่าคนชั้นกลางพวกรายได้ต่ำเขาเรียกว่าคนชั้นต่ําก็คือวัดกันที่ พ่อข้ัพท์เนี่ยนะยันลืมาแก้วแหวนเงินทองเนี่ยเป็นตัวที่วัดระดับคนว่าคนระดับชั้นล่างคนชั้นกลางแล้วก็คนชั้นสูงสมัยใหม่นี่เขาเป็นศัพท์ที่ใช้ค่อนข้างมากแต่เขาก็ไม่ค่อยใช้คําว่าชั้นต่ำนะเขาใช้คําว่ากรรมอาชีพเป็นต้นแต่ก็แปลว่าคนชั้นต่ำนั่นแหละเนี่ยนะก็แบ่งคนชั้นต่ําชนชั้นกลางแล้วก็คนชั้นสูงเขาวัดกันที่อะไรวัดกันที่ผลของศีลข้อที่สองว่าอดีตทํามาดีหรือ ไม่ดีถ้าหากว่าศีลข้อนี้ดีก็เป็นคนที่ ม, มั่งมีไปด้วยโควคาร่ํารวยไปด้วยโควะเนี่ยนะจับสิ่งใดก็เรียกว่าพร้อมที่จะมั่งมีเนี่ยนะเรียกว่าดูลมชมวิวก็ได้สตังชัยแล้วว่างั้นเถอะอย่างบางท่านเนี่ยนะเขบอกว่าเดินหน้ากล้องเนี่ยนะซึ่งคนอื่นเนี่ยถ่ายแล้วก็หมดค่าฟิลม์มไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหรเนี่ยนะค่าล้างค่าอู้แต่เขาเดินเฉียดกล้องนี่ก็ได้ตั้งโอ้หลายล้านมากเลยนะ่ย ทำถ่ายเข้าหน้าฉากไม่กี่ครั้งนี่ก็ได้ตั้งหลายล้านแหละเพราะถามว่าทําไมอะ่ะเพราะว่าคือคนมีบุญเนี่ยมันมันมันมันมันเยอะมันต่างจากคนไม่มีบุญเยอะมากเล ย, เ น, ยนะฟ้ากระเหวเลยแหละว่างัันเถอะฟ้ากระเหวกแบบ็แบบแบบสูงส่งกับโน่นแบบแทบจะมุดใต้ดินนะ่ะแล้วบางบางทีเนี่ยนะมนุษย์ที่ที่ศีลข้อนี้ไม่ดีเวลาทุศีลมาแล้วเนี่ยนะทํามาหากินไม่ได้เลย เขาบอกว่าเขามีอย่างผู้ที่อาหารที่เขาบริโภคเนี่ยนะอย่างกลุ่มจันทามที่อินเดียเนะี่ยไปเก็บอะไรเก็บเศษปีกสัตว์หนังสัตว์บางกลุ่มแล้วแล้วมาฟอกมากินเนี่ยนะคือชีวิตมันตกต่ํามากขนาดนั้นเพราะอันนั้นเศรีนเนี่ยถ้ารักษามไม่ดีศีลข้อที่สองก็เป็นเหตุให้เดือดร้อนในเรื่องพวกขัพย์ไม่จนจริงๆเลยว่า ง, งั้นเถอะอาหารเขามีเต็มโต๊ะแต่เราห้ามกกิิิินนน่ะไไมมีีีีสทธ์ดด้้ดดด้เพราศลขอ หรือแม้กระทั่งทุกอย่างเลยแหละว่าหนาวเหน็บแต่เสื้อผ้าเขาแขวนไว้เต็มไปหมดเลยแต่ห้ามใช้อะเอาดิเพราะอะไรเพราะศีลทําไว้ไม่ดีเนี่ยนะเพราะคนที่ทุ่ศีลจะทําให้เป็นตนที่เดือดร้อนกับทุกเรื่องมันรักษาศีลอันนี้เอาไว้ให้ดีทํารมะรักษาศีลคืออะไรรักษาเจตนารม์ว่าจะจะไม่ให้ไอาโรคระบาดคลางควา ม, ค, วามคิดถือเอาสิ่งที่เขาถือโดยอธินนาทานเจตนาอันนี้ให้ได้ ถ้าคิดอย่างนี้ได้โภคะก็มั่นคงและก็ยั่งยืนต่อไปในอนาคตเนี่ยนะสมาทานอธิษฐานบ่อยๆบ่อยๆเพราฉันจะต้องอถามว่าคิดครั้งเดียวแล้วมันจะเลิกเลิกเลิกรักเลยใช่ไหมตลอดไปเลยใช่ไหมมันมันต้องตอกย้ํากันบ่อยๆนะตอกย้ํากันบ่อยๆว่ารักษาศีลเนี่ยต้องมีรากของเจตนาเว้นจากการฆ่ารากคืออโลภะรากคืออโทส ะ, ร า, ออทะรากคืออโมหะ เจริญอะโลพะอโทสะอโมหะให้มีกําลังที่สุดเท่าที่จะทําได้จึงการรักษาเจตนารมเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้บางคนก็บอกว่าโอ้ยทําไม่โกงก็ไม่รวยรอกเนี่ยนะที่ร่ํารวยบางคนก็บอกที่เขาร่ารวยเขามีอยู่ใช้ทุกวันเนี่ยก็เพราะเขาโกงมานะถามจริงๆเหรอในโลกเนี่ยโกงสําเร็จมีกี่คนเอาจริงๆเลยนะถ้าคนนั้นไม่มีบุญเก่านะทำไม่สําเร็จนะ แต่ก็ไม่ใช่ว่าแปลว่าไม่หมดบุญเป็นนะถ้าบุญหมดเนี่ยพร้อมที่จะอะไรหมดตัวเหมือนกันเนี่ยแหละพร้อมที่จะหมดตัวถ้าบุญหมดเพราะฉะนั้นคนที่โกงแล้วประสบความสําเร็จแล้วได้เนี่ยมีไม่กี่คนอะที่เหลือเรียบเนี่ยนะถูกจับยังไงยังไม่ทันโกงเลยบางทีเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าถึงทําสําเร็จหรือไม่สําเร็จอยู่ถ้าบุญเก่าทํามาดีหรือไม่เนี่ยนะเพราะก็ที่จริงอะถามว่าถึงเขาไม่โกงต่อไปเขาก็รวย ถ้าเขารออีกนิดหนึ่งเ็าเรียกว่าพวกนี้รีบเอาบุญในอนาคตมาใช้ในปัจจุบันโกงแล้วประสบความสำเร็จมั่งมีเนี่ยจริงๆคนคนนั้นเนี่ยนะเขาเป็นคนที่จะมีบุญที่จะมีโคะอยู่แล้วแต่ถ้าเขาอาจจะอดใจรอประพฤติดีปฏิบัติชอบต่ออีกระยะหนึ่งเขาก็มีแล้วเนี่ยนะแต่ว่าบางคนมันทนไม่ได้เมื่อมันทนไม่ได้ก็ลักษณะประเภทอะไรนะรีบกินผลไม้ที่ยังไม่สุก คนนี้ก็เดือดร้อนใช้คําว่าชิงสุกก่อนหามก็แปลว่ามันยังไม่สุกเลยเนี่ยนะแล้วเอาสิ่งนั้นมาบริโภคเช่นมะม่วงบางพันุเนี่ยถ้ามันสุกเนี่ยมันหวานเจี๊ยบเลยเนี่ยนะแต่ถ้ามันดิบแล้วเปรี้ยวจี้เลยเนี่ยนะกินแทบไม่ได้เลยถ้าถามมารีบกินอะไรจะเกิดขึ้นอาจจะได้มะม่วงมาก็จริงแต่กินอย่างเรียกว่ากินแบบทุกทุกยากยากกินอย่างลําบากแล้วมันก็เปรี้ยวจี้แล้วก็ท้องเสียอต่างหากฉันใดถ้าผู้ที่ลักทรัย์ คดโกงเป็นต้นจนมีโพคะเนี่ยนะมันก็กินของเปรี้ยวจะใช้แบบคนอื่นก็ยากเนี่ยนะต้องไปใช้ในแหล่งมืดมืดเหมือนกันเนี่ยนะต้องไปใช้ในแบบอะไรนะเอามาใช้จ่ายก็ใช้ยากลำบากและในที่สุดก็ท้องเสียเนี่ยนะพันต้องรอให้สุกงอมบุญบางอย่างก็ต้องรออีกนิดหนึ่งอาศัยกาละที่สมควรแล้วบุญเหล่านั้นก็จะให้ผลเนี่ยนะพันก็รอหน่อยพันจริงๆแล้วเนี่ย ความร่ารวยไม่ได้มาจากการโกงแต่ประโยคนาบางอย่างคนที่ทําประสบความสําเร็จพวกนี้กินบุญเก่าแล้วก็ถ้าหมดบุญเมื่อไหรก่ก็กลําบากแล้วเนี่ยนะเพราะว่าทรัพย์ในโลกนี้เชื่อไหมเป็นทรัพย์ของคนมีบุญใครมีบุญก็ใช้ไปใครหมดบุญก็เดือดร้อนไปเนี่ยนะกว่าสิ่งที่น่าปรารถนาน่าพอใจเป็นผลของสุจริตไม่ได้เป็นผลของทุจริตเนี่ยนะแต่ผู้มีปัญญามองเห็น แค่ว่าเห็นการไกลไม่ได้เห็นเหตุไกลไม่ได้ก็เลยนึกว่าตัวเองประสบความสำเร็จเพราะความทุศีลเนี่ยนะเพราะความทุศีน